เพื่ออบรมจิตใจให้เข้าถึงความสงบเราไปในมุ่งหวังเอาอะไรการภาวนาเป็นการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้มันยังเหลือแต่กายกับจิตเท่านี้นะไม่ให้มันเหลืออย่างอื่น เมื่อมันเหลือแต่กายกับจิตเท่านี้ก็มาพิจารณากายกับจิตเท่านี้แหละบัดนี้ไม่ต้องเก็บไปแก้ไขอย่างอื่นเมื่อว่าเห็นแจ้งในกายกับจิตนี้ได้ว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตามเป็นจริง กายคุณก็อยู่พอกายจิตก็อยู่พอจิตจิตก็มีหน้าที่รับรู้อารมณ์ต่างๆร่างกายก็เป็นที่อาศัยของจิตอยู่ชั่วคราวก็ให้รู้กำหนดรู้ไม่ใช่ว่าอยู่เฉยเฉยไม่กำหนดรู้ ถึงแม่ความจริงมันจะมีอยู่อย่างไรมันก็ไม่รู้จิตนี้นะเป็นอย่างนั้นเมื่อไม่รู้แล้วมันก็ไปยึดถืออวัตากายตนอย่างนี้แหละจังนั้นจำเป็นต้องวิตกต้องนึกนึกเตือนตัวเองนี่นะนึก เตือนไหมมันยึดถือร่างกายนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนพอถึงยึดถือได้มันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังมีแต่ทุกข์เปล่าๆไม่ยึดถือดีกว่าเออตัวเองหักสอนตัวเองเตือนตัวเองไปอย่างนี้นะวางไว้ตามสภาพดีกว่าไม่ต้องไปหวงแหนมัน เื้อใจมันก็จะได้สบายเมื่อไม่หวงเห็นอัตภาพร่างกายอันนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของมันเราจะไปบังคับมันไม่ได้เลยแต่ใจนี่สิไม่ยอมปล่อยวางให้มันเป็นไปตามธรรมดาของมันนะ่ะ พยายามที่จะตกแต่งให้มันเที่ยงมันยั่งยืนจะไม่ให้มันชำรุดทรุดโทมไปเหมือนอย่างชาวโลกทั้งหลายนี่แหละซึ่งไม่ใช่นักบวชหาเครื่องประดับตกแต่งมาประดับประดามันสารพัด น้ำอบน้ำหอมแป้งอะไรต่ออะไรเอามารูปไรมาประคบประงมไว้อาณำมุกน้ำมันมาทาให้มันส่งกลิ่นหอมเนี่ยบังว่าจะไม่ให้รูปกายอันนี้มันทุดทรม ให้มันใหม่เอี่ยมอยู่เรื่อยถึงจะปกปิดไว้อย่างไรมันก็ไม่ขวางอัตภาพร่างกายอันนีนะ้มันก็สวยงามตั้งแต่เครื่องประดับเท่านั้นเองนะแต่เนื้อในของอัตภาพร่างกายนี่ไม่มีอะไรสวยงามเลยมันเป็นอยู่อย่างไรมันก็เป็นไปอยู่อย่างนั้น แต่ดวงจิตที่มาอาศัยอยู่ในร่างกายนี่มันหลงมันไม่มันไม่พิจารณาบ่อยๆมันถึงไม่รู้แจ้งเมื่อมันไม่รู้แจ้งแล้วมันก็ต้องไปยึดถืออมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้ามันรู้แจ้งแล้วมันจะไม่ยึดถือมันก็ปล่อยวางตามสภาพของมัน เมื่อมันเจ็บไข้ได้ป่วยมันวิบัติลงเกาะกำหนดใจให้แน่วแน่ดูมันดูความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้ไปตามสภาพของมันเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นี้บังคับไม่ให้มันแปรพวนอย่างนี้ก็บังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันเย่ย เนียมันก็ไม่หนักใจแบบ น, นี้นะก็เพียงแต่กำหนดรู้เท่ามันรู้ดูมันไปจนกว่ามันจะแตกดับเท่านั้นเองการฝึ ก, กจิตใจนี่ก็เพื่อให้กำได้รู้เท่าอัตภาพร่างกายนี่ตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางตามสภาพมันก็ไม่ทุกแบบ น, นี้จิตนี่นะ จิตนี้ก็ไม่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นในสติปัฏฐานสี่นั้นพระศาสดาจึงได้ยกกายานุปัสนานี้ขึ้นต้นเลยทีเดียวนั่นเี่ยเวทนาจิตตาธรรมมาอันดับต่อลงลองลงไปเลยทีเดียวนั่นเนี่ย <c oughs> แล้วเอาอะไรพิจารณาร่างกายนี่บ่เนี้ก็เอาจิตนี่แหละแต่จิตนี่มันต้องมีสติกำกับมันจึงพิจารณาได้รำพั ง, งได้มีได้จิตอย่างเดียวนั้นมันจะพิจารณาร่างกายอันนี้ไม่ได้เลยนั่นแหละคนที่ไม่อบรมสติให้เกิดขึ้นนะ่ะมันถึงไปถือว่ากายตนกายตนอยู่อย่างนั้นอ ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเวลามันมวิบัติลงก็มีแต่เศร้าโศกเสียใจสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตาย <c oughs> มีแต่จิตเฉยๆมันก็พิจารณาไม่ได้นั่นต้องสังเกตดูเังนั้นจึงต้องอบรมสติให้เกิดขึ้นพระศาสดาทรงสอนให้ระลึกอยู่ที่กาย อย่างนี้แหละถ้าไม่มีเหตุจำเป็นแล้วไม่ระลึกออกไปข้างนอกเลยถ้ามีเหตุจาเป็นเช่นเกี่ยวกับการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็จึงค่อยระลึกไปมันระลึกไปหาการงานนั้นเมื่อเสร็จจากการงานนั้นแล้วไม่มีงานอื่นที่จะต้องระลึกนึกคิดไปแล้ว ก็ต้องระลึกเข้ามาหากายนี้เอาสติมาตั้งอยู่ที่กายนี้เสมอความหมายของการเจริญสติปัฏฐานสี่มีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี <c oughs> ่ยเวลาว่างๆมันจึงเป็นเวลาที่หยุดทำการทำงาน เกี่ยวกเกี่ยวกแก่การงานต่างๆซึ่งจะต้องกระทําด้วยทางกายและพูดด้วยวาจาเมื่อหยุดการงานเหล่านั้นลงไปแล้วมันก็จะต้องเป็นเวลาค่ำคืนนั่นแหละสำหรับผู้คลองเรือนตอนค่ำคืนนี่แหละมันมีโอกาสที่จะได้ อบรมสติให้มาตั้งอยู่ที่กายสำหรับนักบวดแล้วไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้ยุ่งยากกับการงานภายนอกมากมายอะไรมีแต่ ง, งานกิ จ, จวัตรอยู่ในวัดวาอารามนี้เท่านั้นมันก็ไม่นักหนาอะไรพอที่จะใช้สติระลึกไปเอาชนว่าไม่มีเวลาหยุด อย่างนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะน้อมสติเข้ามาตั้งอยู่ที่กายนี่มีมากมเหมล่เกินนักบวชเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยให้พากันใส่ใจให้มากมการที่คนเราจะหลงจะเมาไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักความจริงของชีวิตก็เพราะว่า ปล่อยแต่สตินี้ให้ระลึกส่งไปภายนอกนอกกายออกไปนู่นอยู่มากกลัวที่จะระลึกเข้ามาดูอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นอย่างนั้นคนเราให้มันหลงมันเมาอยู่ในโลกอันนี้นะ่ะให้รู้จักจุดบกพร่องของตนเมื่อผู้ใดรู้จักจุดบกพร่องของตนอย่างนี้แล้วมันก็จะได้ ตั้งสติอยู่ที่กายนี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มากำหนดเพ่งกำหนดดูให้มันรู้มันเห็นอยู่อย่างนั้นเมื่อเราเพ่งเข้าไปภายในะบ่อยๆนี่นะมันจะเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาเออเป็นอย่างนั้น เมื่อเราเพ่งเข้าไปภ า, ายในบ่อยๆจิตใจนี่มันจะผอ่องใสเมื่อใจสงบลงไปได้แล้วมันก็ผ่องใสแหละเมื่อมันผ่องใสแล้วมันก็มองเห็นอัตภาพร่างกายนี่ชัดเจนอมันเป็นอย่างนั้นการเจริญสติปัฏฐานนี่น่ะในพาการเข้าใจ อภินญายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งนี่นะนั่นแหละถ้าเราเพ่งพิจารณาอยู่บ่อยๆในร่างกายนี่นะมันก็จะรู้ยิ่งกับหมายความว่ารู้ว่าอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่มีผมขนเล็บฟันหนังเป็นด้นตลอดถึงอาการสามสิบสองมองดูด้วยสติแล้วไม่มีอะไรเป็นแกนสารซัก อย่างเดียวอนี่ยเนี่ยผู้ครองเรือนทั้งหลายมันไม่ได้เจริญสติปัฏฐานอย่างนี้มันจึงไว้ผมยาวลากบ่านน่นลงถึงบันเอวนูก็มีบางคนอ๋อแสนลำบากแสนยากไปมาทางไหนก็ไประมัดระวังกต่ผมนั่นแหละต้องสะบัดหัวอยู่เลย ป่านั้นยังไม่เห็นทุกในการมีผม <c oughs> พระพุทธเจ้านั้นทุกพระองค์ที่อุบัติมาตัดสรู้ในโลกนี้พระองค์ทรงเห็นว่าผมนั่นเป็นภาระอันหนักนั่นแหละวันออกบวชทีแรกก็เลยโกนทิ้งจะเลยแต่ว่าอัจฉริยะของ ผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้เนะี่ยผมของพระองค์ท่านโกนทิ้งทีเดียวเท่านั้นเลยแล้วก็ไม่ได้โกนอีกเลยแล้วมันก็ไม่ยาวเกินกว่านั้นอีกปลายมันงอเข้าหากันเลยอยู่อย่างนั้นจนตลอดดับขันเข้าสู่พระนิพพานนี่แหละอัจฉริยะมนุษย์นะ ลองดูเอา <c oughs> แต่สำหรับผู้เป็นสาวกแล้วก็ต้องได้โกนผมทุกหนึ่งเดือนทรงห้ามไว้ไม่ให้ไว้ผมยาวเกินกว่าสององคุรีนันแแต่ไม่ให้เลยเดือนหนึ่ง การโกนผมนะถึงจะไม่ยาวถึงสององค์คุรีก็ตามเมื่อได้เดือนหนึ่งแล้วต้องโกนเป็นอย่างนั้นแต่พระโบราณพระแต่รุ่นหลังคืนไปนี่แหละไม่ใช่แต่ครั้งพุทธเจ้าสิบห้าวันเพื่อนก็โกนผมกันครั้งหนึ่งขั้นต่อมานี่เพื่อนคงจะไปค้นพบตำรับตาราเข้า นั่นแหะจึงได้มาตกลงกันโกนผมเดือนละครั้งแต่บางวัดบางแห่งเพื่อนก็สิบห้าวันโกนครั้งหนึ่งอยู่ก็ยังมีแต่ว่าน้อยเต็มที <c oughs> อันนี้แหละความเป็นอยู่ของผู้ครองเรือนกับความเป็นอยู่ของนักบวชมันก็ย่อมมีแตกต่างกันไปด้วยอํานาจแห่งอารมณ์ของจิต ด้วยอำนาจแห่งสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสำหรับผู้ครองเรือนนั่นมันเป็นไปตามความนิยมของคนหมู่มากาคนหมู่มากนิยมไว้ผมกันให้ยาวาบางแห่งก็นิยมดัดผมกัน ให้มันงอเข้าหากันเพื่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้มันลุงลางมากแต่ว่าก็เป็นภาระของการหาเงินมาดัดจ้างเขาดัดผมให้ตกแต่งผมให้อัตภาพร่างกายนี่มีแต่เสียแต่เงินเอาซื้อนำ้ำอบน้ำหอมมาลูบไล่มาผมมาใส ก็พอแรงอยู่แล้วซื้อเครื่องประดับมาส้อยคอตุ่มหูแหวนเพชรนาฬิกาคออะไรสารพัดถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่า <c oughs> ก็เรียกว่าขุมทองเคลื่อนที่ก็ว่าได้คนคนหนึ่ง นี่หมายเอาคนมีสตางมากโจรมันเห็นเข้าแล้วมันก็ยิ้มเป้นเลยเพลอเผลอมันฉุดเดิงกัดซากส้อยค อ, อขาดไปยังดีคอไม่ขาดอันโมนี่ผู้ครองเรือนทั้งหลายนะไม่เห็นโทษไม่เห็นภัยเครื่องประดับประดาต่างๆมมนี่ มันก็น่าทุเลตเหมือนการกิเลสนี่ทำให้คนเราเสียชีวิตด้วยเครื่องประดับนี่ก็มีเยอะแยะเมื่อไรหนอคนเราชาวพุทธเราเนี่นนะถึงจะมาหันมาปฏิบัติตามพระธรรมดูบ้างมันจะได้เบากายเบาใจลงความทุกข์มันจะได้เบาลงเพราะการวิ่งไปตามความนิยมสมมุติของโลกนี่ มันเหลือวิสัยเอาจริงๆนะคนลงทุกข์ลงจนมีเงินทองมาพอประมาณนี่ก็ไม่มีเหลือเลยเอาไปใช้จ่ายสุรุยสุร้ายดังกล่าวมานี่แหละหมดเงินหมดทองเข้าไปก็เดือดร้อนไปมีเยอะแยะถ้าหากว่าไม่สุรุยสุร้ายอย่างที่ว่านี่ เก็บหอมรอมริบไว้ใช้จ่ายแต่ในสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นเช่นนี้นี่ยมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นะผู้ครองเรือนนี่เนะ่ะ <c oughs> มันเดือดร้อนเพราะมันหลงสมมุติมันเห่อตามสมมุติของโลกสมมติทไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระศาตราทรงตรัสไว้มันก็มันก็เป็นความจริงเลยผู้ใดหลงสมมุติของโลกนี่มันก็เป็นทุกข์จริงๆ ตลอดถึงนักบวชบวชเข้ามาแล้วมันก็ยังเห่อไปตามสมมุติของโลกอยู่มันยังส่งใจให้ไหลไปตามสมมุติของโลกอยู่โลกเขาสมมุติว่าอะไรสวยงามอะไรที่เอื้ออำนวยความสุขความสบายให้ดิ้นอยากได้แล้วนั่งภาวนาน่มันนั่งสร้างวิมานบนอากาศกัน นั่งคิดหาเงินหาทองเอาร่ำรวยได้เงินมาก่อนหนึ่งจะต้องไปซื้อรถยนต์คันงามๆ ม, มาขี่จะต้องซื้อวีดีโอมาฟังให้สนุกส น, นานจะต้องซื้อนาฬิกาโลหลกราคาเรือนหมื่นเรือนแสนมาใส่ข้ออะไรมือนี้มันนั่งสร้างวิมานบนอากาศอยู่นักภาวนา ได้อย่างนี้นี่มันจะไปประพฤติพรหมจรรย์ไปได้อย่างไรเล่านั่นแหละคนจริงแล้วมันสร้างวิมานบนอากาศเฉยๆแม้่อศึกหาลาเพศออกไปแล้วมันจะไปหาเงินไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้ดังที่คิดไว้นั้นไม่มีทางชาติหน้าก็ยังไม่ได้ซ้าเป็นไรอย่าว่าแต่ชาตินี้คนบุญน้อยนะ อันนี้ต้องคิดให้ดีผู้ใดมาภาวนาเจริญสติปัฏฐานมาเพ่งจิตพิจารณาดูอัตภาพร่างกายอันนี้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันจะตัดทอนตัณหาลงจากจิตใจนี้ได้เยอะแยะเลยทีเดียวถ้าเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้ดังกล่าวมาแล้วนั่นนะก็จะตัดทอนการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยลงได้อย่างมากมาย นอกจากเครื่องประดับประดาแล้วก็การใช้จ่ายฟุ่มเฟือยในการบริโภค <c oughs> <c oughs> ของบริโภคต่างๆมันก็จะต้องตัดทอนลงอันไม่เป็นไม่จำเป็นต่อร่างกายเช่นบุรีสุรายาเมากัญชายาฟินเฮโรอีนอะไรมนมันไม่จำเป็นต่ออัตภาพร่างกายนี้เลย แถมยังเป็นศัตรูต่อร่างกายนี่อีกซ้ําจะมาทําร่างกายนี้ให้วิบัติทุดโทรมลงไปได้ง่ายตัดทอนอายุให้สั้นลงเขาเรียกว่าตายพรทร่ง <c oughs> อันมนี้นะบุคคลจะมารู้สิ่งที่ให้โทษต่อทภาพร่างกายก็ต่อเมื่อได้มามีสติเพ่งดูร่างกายนี่ เห็นร่างกายอันนี้ตามเป็นจริงอย่างว่ามาแล้วนั่นเนี่ย <c oughs> ก็เมื่อร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันจะแตกกะดับอยู่แล้วล้วจะไปหาขวัขวายเอาสิ่งที่มันให้โทษมาบริโภคทาไมล่ะแล้วได้ประโยชน์อะไรกับมันนี่มันก็ต้องถามตัวเองแหละคนมีสติเนี่ย <c oughs> เมื่อมันถามตัวเองได้อย่างนี้ตัวเองก็ตอบตัวเองได้ก็บอกว่าเม่มีประโยชน์อะไรตนเองครตกเป็นทาสของตันหาต่างหากมันถึงได้ทำไปในสิ่งที่มันไม่เป็นมงคลต่อชีวิต <c oughs> คิดได้อย่างนี้แล้วมันก็ตัดทอนรายจ่ายทรุยทรุยนั้นลงเลย <c oughs> เงินทองที่หามาได้้วมังก็สามารถที่จะแบ่งไปฝากธนาคารไว้ได้ ก้อนหนึ่งแหละ <c oughs> ก็คงเหลือใช้จ่ายในยครอบครัวแน่นอนเลย <c oughs> อัน่นโมนี่นะมันการภาวนานี่นะมันมันเป็นคุณเกื้อกูลแก่การคลองเรือนการดำรงชีวิตอยู่ทั้งคริหัดทั้งนักบวชได้ทางนั้นเลยแต่คนไม่ชอบอยากจัดบำเพ็ญนนะถือว่า ไอ้สำหรับคารวาเนี่ยก็ต้องโยนมาให้พระเออเป็นหน้าที่เป็นเรื่องของพระออการเจริญสติปัฏฐานพิจารณาอัตภาพ ร, ร่างกายเป็นหน้าที่ของพระผู้บวชผู้เห็นภัยในวะตะสงสารต่างหากไ อ, อ้เรามันยังไม่เห็นภัยยังชอบใจกับโลกสันนิวัติอันนี้อยู่เมื่อจะมาพิจารณาร่างกายอย่างนี้แล้วมันก็จะจืดชืดไปหมด จะไม่มีรสอร่อยมันเป็นอย่างนี้นะความเห็นของคนเราในโลกอันนี้นะเห็น <c oughs> ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระศาสดาเลยทีเดียว <c oughs> ก็นักปราชญาผู้มีปัญญาทั้งหลายแม้ท่านจะครองเลือนอยู่ก็ตาม จะออกบวชเป็นน no kind of ักบวชก็ตามท่านจะไม่มีความเห็นแตกต่างไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเช่นอย่างว่าพระโสดาบันอย่างนี้นะท่านครองเรือนอยู่มีอยู่ทมไปแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นในสมัยปัจจุบันนี่ก็อาจจะมีก็ได้ อย่างนั้นแล้วท่านก็ไม่ขัดข้องเลยในการปฏิบัติธรรมการเจริญธรรมะวิปัสนาท่านบำเพ็ญกันอยู่ทางนั้นแหละก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเองก็เมื่อมาเจริญสติกายานุปัสนาสติปัฏฐานนี่นะเพ่งพิจารณาร่างกายให้เห็นตามสภาพความจริงดังกล่าวมานั่นแล้ว พระโสดาบันท่านก็เว้นจากความชั่วได้โดยประการทั้งปวงเลยแบบ น, นี้จะไม่ใช้กายนี้ทําความชั่วเลยเอาก็รู้แจ้งแล้วนี่ว่ากายนี้มันไม่มีสาระแกนสารอะไรอ่ะมันจะแตกกระดับอยู่นี้แล้วจะไปใช้มันทําความชั่วทําไมอ่ะ <c oughs> ท่านก็ดํารงชีวิตอยู่ด้วยความบริสุทธิ์พุทธองษ์ <c oughs> <c oughs> จากบาปโทษมนทินต่างๆสิ่งใดที่ไม่เป็นโทษซึ่งพระศาสดาไม่ตรัสว่าเป็นโทษแล้วท่านจะทำจะพูดในสิ่งนั้นในการงานอย่างนั้นการทำมาหาเรี่ยงชีพการทำนาทำสวนก็ทำโดยบริสุทธิ์ใจไม่แขงไว้ด้วยบาป มันก็ไม่เป็นบาปอะไรเลยเช่น <c> ว <oughs> <c oughs> ่ญญาจะใช้พหาหนะาอัวควายราคาดรากไถมุนีแล้วก็ใช้พอประมาณไม่ใช้ให้มันเกินขอบเขตเป็นการทรมานสัตว์ให้มันทุกข์ทนทรมานมากเกินประมาณอย่างนี้มันก็ไม่เป็นบาปเป็นโทษอะไระเมื่อใช้มันแล้วก็เลี้ยงมันให้มันอิ่มหนำสำราญ อย่างนี้นะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้มันก็อาศัยมนุษย์ถ้าหากว่ามันอยู่โดยลําพังแล้วมันจะถูกพวกใจดนะําน่ะฆ่าไปกินไปหมดเลยมันเป็นทรัพยากรของมนุษย์แต่มนุษย์ไม่มีเมตตาอารีต่อมันมันถึงได้เป็นบาปถ้ามีเมตตาต่อมันแล้วอืมมันไม่มีบาปมีโทษต่างถ้อยถ้อยก็ อาศัยซึ่งกันและกันไปในสงสารอันนี้บางทีวัวควายช่างมาวุนนี้รัใชัมนุษย์ถ้ามนุษย์เป็นคนดีใจบุญสุนทานมนุษย์ทำบุญกุศลอะไรแล้วอุทิศกุศลให้แก่สัตว์พาหานะเหล่านั้นมันก็จะได้รับส่วนบุญด้วย <c oughs> หรือมีฉะนั้นมันเห็นมนุษย์ทำดี มันก็จะยินดีด้วยมันชื่นชมยินดีกับความดีของมนุษย์ก็เท่ากับว่ามันได้อนุโมทนาบุญกุศลกับหมู่มนุษย์นั่นเองแล้วเมื่อมันตายจากสัตว์นั้นแล้วมันก็อาจจะเกิดเป็นคนขึ้นมาก็ได้เหมือนอย่างในนิทาน ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอดีตการเนี่ยมีพระอระหันต์จพวกหนึ่งไปอาศัยอยู่ในถม้มในถ้มนั้นมีคังข่าวไปเกาะอยู่บนเพดานถ้ำนั้นมากมายถึงเวลาทำวัดสวดมนต์ท่านก็ไปรวมกันทำวัดสวดมนต์ขังคาวาได้ยินเสียงพระท่าน ทำวัดสวดมนต์แล้วมันก็ดีอกดีใจทั้งที่มันไม่รู้ความหมายอะไรเลยแต่มันดีใจที่เสียงเปร่งออกมาเนี่ยมันเป็นธรรมมันเป็นกุศลเอข้างข่าวนั้นก็เลยได้รับส่วนกุศลจากพระนั่นเมื่อตายแล้วก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็นเทวดายบนสวรรค์ชั้นดาวดิง่ง <c oughs> อันนี้เนะี่ยการทำความดีนี่นะมันแผ่กระจายออกไปให้แกบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้อย่างมากมายเลยทีเดียวให้พึ่งพากันเข้าใจอันนี้การทำความชั่วมันก็เหมือนๆกันนะมันแผ่ความชั่วไปให้แกบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนกันไปมากมายเลยทีเดียว ดังนั้นนักปราดผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านยังได้มาสั่งสมแต่กุศลคุณงามความดีใช้แต่กายวาจาใจอันนี้ทำแต่ความดีไปสิ่งใดเป็นความชั่วแล้วก็ละเว้นไปให้มันเด็ดขาดไปเลยเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้กายวาจาใจของท่านก็ย่อมบริสุทธิ์พุทธผ่อง จากบาปโทษบนทินต่างๆไปจนตลอดชีวิตคนเราเมื่อไม่มีบาปติดตามแล้วมีแต่บุญกุศลอย่างเดียวเนี่ยไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขความสบายถ้าบุญยังไม่เต็มมันก็ต้องเกิดอีกอยู่วันยังค่แหลยจะไปเกิดที่ไหนก็มีความสุขสบายไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนเลยเหมือนอย่างคนเดินทางไกล เมื่อมีเงินทองติดตัวไปมากแล้วอย่างนี้ไม่เดือดร้อนเลยจะไปรอบโลกนี่ก็ไดอ้อยากไปเครื่องบินก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนั่งเครื่องบินไปอยากไปรถไฟรถยนต์ก็ซื้อตั๋วรถไฟรถยนต์นั่งไปสบายสบายไม่ไม่ต้องเดินยำตอกให้เงือไหลใคร ย, ย่อย <c oughs> ไปถึงที่ไหนโรงแรมชั้นดีๆนั่นจ้างอาศัยอย่างนี้นะก็ได้อยู่สบายไปเลยอันนี้ชันใดบุคคลผู้มีบุญติดตามทนไปบุญนี้จากอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกแข่งทุกหนที่ไปเกิดในที่นั้ น, น, น เมื่อบุคคลไม่มีบาปไปรังควานแล้วไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็สบายสบายไม่มีศัตรูไม่มีเวรไม่มีภัยนี่ผลแห่งกุศลคุณงามความดีที่บุคคลกระทำบำเพ็ญซึ่งมันยังไม่ตึงในแต่ละชาติแต่ละภพที่เที่ยวเกิดอยู่ในสงสารนี้ ถ้าหากว่าผู้ดใดผู้ใดเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วมันก็จะต้องละบาตรละบาปบำเพ็ญบุญตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนาสั่งสอนนั้นแม่นจะยากลำบากอย่างไรก็สู้ทนเพราะการทำบาปก็เป็นทุกข์เหมือนกันบหมนี้การทำบาปนั้นเวลาทำอยู่ก็เป็นทุกข์ เมื่อเวลามันให้ผลก็ยิ่งเป็นทุกข์ใหญ่เวลาบำเพ็ญบุญกุศลนี่เวลาทําอยู่นั้นเป็นทุกข์จริงลำบากจริงแต่เมื่อเวลามันให้ผลมันจะให้ผลเป็นสุขสบายดีในภพในชาติที่เกิดนั้นนั้นหรือในปัจจุบันนี้ก็เป็นสุขสบายไม่มีใครเป็นศัตรูมาคอยจองร้างจองผาน เพราะว่าตนไม่ได้ทำให้ใครบินทุกเดือดร้อนแต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะระมัดระวังกายวาจาใจนี่อยู่ให้สม่ำเสมอไปเรื่อยนอกจากนี้แล้วการที่บุคคลมาเจริญสติปัฏฐานโดยความไม่ประมาทในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะ ให้กิเลสตันหาภายในหัวใจอันนี้มันน้อยเบาบางออกไปความโลภความโกรธความหลงมานะทิฐิอะไรมันก็น้อยเบาบางออกไปโดยลำดับพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่างนานก็เจ็ดปีการเจริญสติปัฏฐานนี่นะสามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในขั้นใดขั้นหนึ่ง นับตั้งแต่พระโสดาบันนี่เป็นต้นไปแต่ว่าต้องทำจริงๆเนอะถ้าทำไม่ให้มันติดต่อกันอย่างนี้นะมันจะไม่มีทางละจะบรรลุแม่ตลอดชีวิตก็บรรลุมรคลไม่ได้แต่ถ้าผู้มีบุญวาสนาหนหังทรงสนับสนุนด้วยอย่างนี้นี่ แม้เพียงเจริญเจ็ดวันเท่านี้ก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะเป็นอย่างนั้น <c oughs> ถ้ามีฉะนั้นก็เจ็ดเดือนสามารถบรรลุรลได้แต่ถ้าว่าบรรลุมรรคผลไม่ได้ในชาตินี้ <c oughs> ก็จะเป็นอุบณนิสัยปัจจัยติดตามไปในชาติหน้าต่อไป ในชาติต่อไปหากได้พบพุทธศาสตนาได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะได้ฟังสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่นี้ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็วเลยทีนี้วะนี อ, อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ยินได้ฟังการเจริญสติปัฏฐานดังกล่าวมานี้แล้ว ก็ให้พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปปมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทพยายามเจริญสติกายานุปัสนาสติปฐานนี้ให้มันเห็นแจ่มแจ้งขึ้นในใจของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะได้ประสบสันติสุขตามความมุ่งหมายดังแสดงมา